ต่อ น, นี้ไปเพิ่งพากันตั้งใจสำมรวมใจของตนให้นแน่วแน่การฝึกใจนี่นับว่ามีประโยชน์มากกว่าฝึกอย่างอื่นทางมาวปลายก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่าสู้ประโยชน์การฝึก จิตใจนี่ไม่ได้เพราะว่าการฝึกจิตใจนี่เมื่อฝึกได้แล้วมันก็บำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้มากมายเกิดมาในโลกนี้เราต้องคิดว่าเราจะมา ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มความสามารถให้ตั้งใจว่าอย่างนั้นทุกคนเพราะว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้แล้วถ้าไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันก็มีแต่ความทุกข์ทราะนแหละแม้ไม่มีชีวิตเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เป็นทุกข์ ละโลกนี้ไปโสโลกหน้าแล้วก็เป็นทุกข์เพราะว่าไม่มีที่พึ่งอันประโยชน์ทั้งสองอย่างที่ว่านี่นะก็หมายถึงบุญกุศลนั่นเองนั่นแหละผู้ใดฝึกใจของตนให้ดีให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลหรือคุณพระตนากรัย ตั้งมั่นอยู่ในศีลทำความบริสุทธิ์ให้แก่ตนให้ได้นี่ได้คือว่าทำประโยชน์ตนเมื่อตนมีศีลมีธรรมดีงามแล้วความประพฤติของตนเป็นไปเพื่อความสุจริตทางกายทางวาจาทาง จ, จิตใจ ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างของคนอื่นคนผู้มีนิสัยดีเห็นเข้าแล้วมันก็เอาอยางมันก็ฝึกตนตามก็เลยเป็นคนดีไปตามกันเป็นอย่างนั้นถึงตรงกันข้ามผู้ใดฝึกตนไปในทางชั่วมันก็เป็นตัวอย่างทางชั่ว ต่อคนอื่นคนอื่นเห็นเข้าแล้วคนที่ขาดปัญญาก็เลยหัดทาตามหัดทำชั่วตามคนอื่นไปเหมือนอย่างตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาตลอดถึงมารดาบิดา ลุงป่านาอาพาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงชีพมาอย่างนี้นะตกกรูต ก, ล, ก, ตกล้านมาก็ไปฆ่า ต, ตัดชีวิตนั่นแหละเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวสืบต่อบรรพบุรุษไปนี่ครอบครัวได้ถ้าพ่อแม่เป็นขี้ขโมย ชอบรักเล็กขโมยน้อยได้สิ่งของเงินทองเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวตกโกกตกหลานมามันก็หัดเอาอย่างพ่อแม่นั่นแหละเป็นขี้ขโมยเหมือนกันนี่เราเห็นมาหลายแล้วเหมือนกันนะครอบครัวใดชอบเล่นชู้จากผัวจากเมีย ได้ลูกได้เต้ามาลูกหลานมันก็เอาอย่างเยี่ยงอย่างพ่อแม่และวแต่อย่างนั้นหรือครอบครัวได้ชอบพูดโกโหกพกลมมาแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายไอ้ต๊ลูกโตก๊หลานมาก็เอาเอาอย่างกันชอบเป็นคนพูดโกโหกไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อมิตรต่อเพื่อนอันนี้มัน เป็นโรคพิดต่ออันนี้เขาเรียกว่าโรคกิเลสอ่ไม่ใช่โรคทางกายโรคทางใจครอบครัวใดเคยดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฟินเฮโรอีนมาอย่างนี้นะตกลูกตกหลานตกเห็นมาก็เหมือนกันนยะเอาอยางกันอันนี้ก็เห็นมาหลายแล้วเหมือนกัน มันก็เลยเป็นทางที่ไม่ดีไม่งามอตระกูลนั้นก็เป็นตระกูลที่ต่ําต้อยไม่มีเงินทองเข้าคลองที่จะเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาวงตระกูลอะไรก็ไม่มีแล้วมีแต่คนต่างหลายเขาเหย็ดย้มดูมินเขาว่าตระกูลนี้แล้วกรครัวนี้นะยากจนอย่างนี้ เพราะมันไม่มีปัญญาที่จะหาทรัพย์แล้วก็ทำความชั่วในตัวเองเสพของเสพติดไม่เห็นโทษของมันอย่างนี้ทุกวันนี้ทางรัฐบาลเขาโฆษณาอยู่อันบุรีเนี่ยมีโทษอย่างร้ายแรงอย่างนี้มันก็ยังชอบกันอยู่นั้นแหละเป็นยงนั้น พวกแพทย์พวกนั้นเขาได้พิสูจน์แล้วเพราะฉะนั้นบุหรี่พวกนี้ไม่ใช่เป็นของดีนะเป็นพาหะเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาถูร่างกายของคนเราถเช่นนี้แนละ้วคนเรายังจะมาโง่ดัก้านอยู่ไม่คิดไม่อ่านไม่รักชีวิตตัวเองแล้วเอาของเสพติดนั่นมา เอือบมาแฝงอยู่ในร่างกายอันนี้เสียมากมายอายุก็ไม่ยืนยาวนานเ ไ, ไปโรคตับโรคปอดก็เกิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ตายอันนี้เรียวกว่าตายยังไม่ทันไม่ถึงการที่ควรจะตายไม่ทันหมดอายุไขก็ตายเสียแล้วตายเพราะ ไม่รักษาตัวสิ่งใดที่มันตัดทอนชีวิตไทสั้นเขาก็เอามาใส่เข้าไปอย่างนี้เราจะไม่ให้มันตายวายยังไงแล้วคนเราอ่ะอ น, นี่กูเลพิจารณาเห็นแล้วอย่างนี้อย่าไปนึกว่าไอ้ตนนั้นมีกำลังแข็งแรงดีอยู่ถึงเสพของเสพติดเหล่านี้มันก็ไม่เป็นไรหรอกภูมิคุ้มกันมันแข็งแรง คิดอย่างนี่ลราก็ว่ากันไปเรื่อยไปอย่างนี้ผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่เคารพต่อเหตุผลตกเป็นทาสของสัรหาเอาตัรหาเป็นเครื่องนำทางาผู้ที่เคารพต่อเหตุผลนะเมื่อได้ยินได้ฟังผู้อื่นแสดงโทษของความชั่วต่างๆให้ฟังเราก็เอาไปคิดไปตรอง ให้มันเห็นเหตุเห็นผลเรื่องนั้นขึ้นมาด้วยตนเองทำได้อย่างนี้มันก็โลดเกลิดความชั่วเหล่านั้นได้เท่านั้นเองนะไอ น, นี้คนส่วนมากเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เล้วไปเลยไม่สนใจจะน้อมเอาไปคิดไปกลองไปพิจารณาลงมือประพฤติปฏิบัติตามให้เป็นไปตามที่ ท่านแนะนำสั่งสอนไม่เอาไม่สนเลยแล้วท่นนี้จะให้ชีวิตมันเจริญขึ้นไปได้ยังไงเลา่าคิดดูให้ดีชีวิตนี้มันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ก็เพราะมาขจัดสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปจากกายวาจาใจนี้ให้หมดเอาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาใส่ไว้ คนในตัวของเราเนี่ยนะหรือว่าในจิตใจคนธรรมดาสามัญนี่มันมีทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วเป็นอาหารของจิตใจอยู่แต่ละวันแต่ละคืนคนผู้ที่ไม่ได้ฝึกตนนะมีทั้งสองอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไปทางชั่วถ้าผมโกรธมันรุนแรงอยู่ในใจ มันก็คิดไปในเรื่องเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นคิดไปทางฆ่าทางทำลายไปอย่างนั้นถ้าจิตมันมากไปได้ราคะตัณหามันก็ย่อมวิตกวิจาจา์ไปในความรักความใคร่สร้างความรักให้เกิดขึ้นในใจอย่างมากมาย เมื่อไปสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นเรามันจะทนอยู่ได้ยังไงอะ่ะมันก็ไปต้องไปแสวงหาสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นเมื่อแสวงหาเอาในทางสุจริตไม่ได้ก็คิดแสวงหาเอาในทางทุจริตมันจะเป็นบาปเป็นโทษยังไงก็อยอมรับเอาทางนั้นแหละขอให้ได้สิ่งที่ตนรักตนใคร่มา ตามประสงค์แล้วเป็นพอยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนี้แหละที่มนุษย์ตายแล้วไปตกนรกหมกไมมอยู่นมนานกาเรนั่นเน่มึงก็เพราะอาศัยทิฏฐิความเห็นอันนี้แหละยึดมั่นในความเห็นในทางผิดๆแต่เป็นมนุษย์ไม่ยอมละความเห็นผิดเหล่านี้ออกไปจากจิตใจ ไม่ทำความเห็นได้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเมื่อความเห็นมันผิดการทำการพูดมันก็ผิดไปเมื่อความเห็นถูกการทำการพูดมันก็ถูกต้องเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอะไรอะไรก็มีใจเนี่ยนะเป็นใหญ่เป็นประธานดีก็ดีชั่วก็ดอีอันที่มันจะมักน้อยสันโดษ อย่างที่แสดงมาแล้วแต่เมื่อวานนั่นได้ก็พดใจนี่แหละฝึกใจดวงเดียวนี้ให้มันเห็นคุณค่าของความมากน้อยสันโดษมันถึงจะเป็นไปได้ถ้าไม่สอนใจดวงนี้แล้วใครเราจะมามากน้อยสันโดษอ่ะไม่มีร่างกายนี่มันไม่ว่าอะไร ถ้าจิตไม่หิวแล้วร่างกายก็ไม่หิวให้สังเกตดูให้ดีบางคนส่วนมากเขาไปเหมาเอาว่าร่างกายแหละมันหิวมันหิวอาหารว่าท่านผู้เท่เข้าชานสมาบัติอยู่เจ็ดวันสิบห้าวันเนี่ยทำไมท่านถึงอยู่ได้ล่ะท่านก็ไม่สุกไม่พร้อม ไม่ล้มไม่ตายนี่มันอยู่ได้เพราะอะไร น, นเนยอยู่ได้เพราะใจใจไม่หิวเมื่อใจมันเพ่งกรรมาฐานเป็นอารมณ์เข้าไปมันรวมลมรวมลงจนได้บรรลุถึงฌานจิตสว่างโลกอยู่ภายในไม่อิงอาศัยอารมณ์ภายนอก อาศัยความสงบอย่างละเอียดละอ่อนนั่นแหละจิตอยู่ได้เมื่อจิตมันไม่ไปยึดไปถือรูปกายอันนี้อย่างรุนแรงแล้วมันรวมตัวอยู่โดยลำพังอย่างนี้นะมันก็ไม่หิวเหมือนไม่หิวอะไรแล้วกายมันก็ไม่หิวมันก็ระ ง, งับไปความหิวะนะทุกเวทนาทาั้งหลายก็ระ ง, งับไป ก็ให้สันนิฐานกันดูอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าความอยากความอิ่วทางต่างนั้นมันเกิดจากตวงจิตนี้โดยตรงไม่ใช่เกิดจากอย่างอื่นดังนั้นเรามาสอนจิตนี้ได้แล้วได้หมดเลยสอนจิตให้ละความอยากความปรตนาะทางต่างลงได้แล้ว ไอความอยากความหิวทางมันก็ระงับไปตามการหมดเลยแม้อยากเข้าอยากน้ําก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ขวนขวายหามันถ้าเราเราสํารวมจิตแท่งจิตนี่ให้มันสงบลงไปแล้วมันหายหิวนะอหายหิวจริงๆแหละมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตได้ยังหิววิตกวิจารอยู่ เวทนาในกายนี่มันก็รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเลยกระวลกระวายเลยก็อยู่เป็นสุขไม่ได้แล้ววันนี้นี่ละให้สันนิฐานดูให้ดีคนเราพระพุทธเจ้าจึงว่ามโนบุพังคมาธรร ม, มาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมโนเศรษฐามโนมยา มีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจที่พระองค์เจ้าตรัสภาษิตไว้แล้วผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเอาไปคิดไปกรองหรือไม่ก็ไม่รู้ส่วนมากนะมันไม่ค่อยเอาไปคิดไปกรองกันถ้าไปคิดไปกรองเข้าไปให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปมันก็เห็นตามพุทธภาษิตนั้นแน่นอนทีเดียว ดังที่ชี้แจงให้เหตุผลได้ฟังมานี่แหละคันถ้าผู้มีปัญญาฟังนี่มันต้องเห็นตามแน่นอนนี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นไอ้ที่ร่างกายมันแสดงทุรนทุรายเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรออกมาท้งวาจาก็ดีว่าทุกข์น้อทุกข์น้อยที่จริงแท้วาจาไม่ได้เป็นทุกข์ ใจนู้นเป็นทุกข์ต่างหา่างนี้แต่มันใช่วาจานี่แสดงออกให้คนรู้ให้คนภายนอกได้รู้ว่าตนมีทุกข์หลายอืเป็นทุกข์ใจมากนี่นะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่แสดงออกมาทางวาจาทางกายอย่างนั้นน่ะคนภายนอกไม่รู้ว่านึกว่าผู้นั้นไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเนี่ย พระอริยะบุคคลทั้งหลายน่พจะโสดาบานีเป็นต้นไปท่านบรรเทาทุกทางใจได้แล้วแม้ทุกมาถึงเข้าท่านก็ไม่วันไว้ถึงแม่รู้ว่าอันตรายนั้นถึงแก่ชีวิตอย่างนี้ก็ไม่วันไว้ไม่จะทกสะท่านเหมือนอย่างเรื่องของนางอุตตรา <c oughs> ในครั้งพูะพุทเจ้าเป็นภรรยาของเศรษฐีแลนในนางอุตรานั่นนะเป็นพระโสดาบันมาแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็มาอยู่ตระกูลสามีตระกูลสามีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่นับถือพระพุทธศาสนานางอุตรานั่นเป็นพระโสดาบัน มาอยู่ในตระกูลมิจฉาทิสิเขาไม่พาทาบุญก็เป็นทุกข์ใจคิดอยากทาบุญถวายทานก็จึงทำจดหมายให้คนนำไปส่งให้พ่อแม่่อแม่ก็เป็นเศรษฐีขอให้พ่อแม่ส่งเงินมาให้สั ก, ก็จพันะหะพนจะจ้ามาใช้สอย พ่อแม่ก็ส่งเงินมาให้มล้วให้ล้วก็ไปจ้างนางสิริมาหญิงงามเมืองสมัยนั้นน่ะให้มาเป็นนางบำเรอของสามีตนเองก็ขออนุญาตสามีทำบุญถวายทานฟังธรรมรักษาศีลแปดจุเจ็ดวันก่อนออกพรนษามาี่ เมื่อได้ไปจ่จ้างนางศรีมาคืนละพันกระหาพพนาก็คงเป็นคืนละพันบาทนั่นแหละอนนี้นางอุตราก็พาบริวารที่เป็นผู้หญิงเหมือนนั้นทำอาหารการคบฉันถวายพระพุทธเจ้าระพระสงห้าร้อยลูกทุกวันทุกวันไปท่าน โยมาวันหนึ่งนางสิริมาออกจากปราสาทชั้นที่เจ็ดมายืนอยู่ระเบียงมองเห็นนางอุตราทำอาหารอยู่ในครัว ค, คุยกับลูกน้องเกิดอิจฉาขึ้นมาแม้ถ้าหากว่าเรานี่ทำลายชีวิตของอีนางคนนี้ให้มันม้วยมอนไปเสียแล้วเราก็จะได้เป็นใหญ่ในบ้านนี้ คิดแล้วก็ลงจากปราสาทลงมาถึงชั้นล่างมาเห็นหมอ้อข้าวต้มเดือดพานพานอยู่ก็เอากระบวยมาตักข้าวต้มร้อนๆนั้นลดสีศานางอุตรานางอุตราก็ไม่ตื่นเต้นไม่หลบเลี่ยงไปไหนอธิษฐานในใจว่าถ้ากรรมเวรแต่หนหลังมันเคยผูกพันกันมาก็ ขอให้นำร้อนในลวกเอาร้อนเอาเปื่อยพังไปเสียร่างกายอันนี้ว่า้งแต่ถ้ากรรมเวณหนหลังไม่มีแล้วก็ขอให้สวัสดีเมื่อนางศิริมาเอาน้ำาอต้มร้อนร้อนดศีรษะนางอุตราลงไปปรากฏว่าเย็นเหมือนกับน้ำธรรมดาไม่มีร้อนเลย เห็นนางอุตราเฉยอยู่เอ๊ะน้ำข้าวต้มกระบวยนี่มันไม่ร้อนจัดมั้งเอาไปตักอีกกระบวยหนึ่งมาลดลงไปมันก็เย็นอยู่เหมือนเดิมลูกน้องของนางอุตราเห็นอย่างนั้นเข้าก็กรูกันมามาห้ามปามนางเิริมาไม่ให้ทํากับนายของตนจับแขนคนละแขนถูดข้าเอาไปทุบตีเอาบ้าง อะไรต่ออะไรน่ะสุดแล้วแต่ใครโมโหขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายนางตรีมาจนช้ำจนบวมนางอุตราเห็นอย่างนั้นยังไปห้ามลูกน้องของตัวเองไม่ให้ทุบไม่ให้ตีถ้าหากว่านางอุตราไม่ห้ามนั่นนางตรีมาตายนี่ นี่แหละลองคิดดูสิในคุณธรรมของพระโสดาบันเนะป็นอย่างนี้หละท่านไม่วันไว้นี่เมื่อจิตใจที่ผุดได้ดีห้ามได้มองเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วเออนี่มันถ้าจะเป็นกรรมเป็นเวรของเราได้ทำกันกันกบอีนางคนนี้มาแต่ก่อน ท่านไม่คิดถึงเรื่องอื่นเราคิดเรื่องกรรมเรื่องเวทนะในขณะนั้นน่ะอย่างนี้แหละแล้วก็ปรงลงไปที่อ้าวถ้ากรรมเวทมีก็ขอให้มันแล้วไปถ้ากรรมเวทไม่มีก็ขอให้สวัสดีแสดงว่ากรรมเวทหนังหลังไม่มีนางอุตราไม่ได้เบียดเบียนนางศริมามาแต่ก่อนเลยเพราะฉะนั้นน้ำข้าต้มร้อนๆน่ะมันจึงไม่ร้อนเลยด้วยอํานาจแห่งคุณความดีของนางอุตรา ที่ท่านในบาเพ็ญให้เกิดมีขึ้นนี่โดยอำนาจที่เพื่อนได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราได้บรรลุโสดาบันก็แสดงว่าท่านฝึกจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นเราฟังธรรมไปพิจารณาตามไปพระองค์ทรงแสดงว่าขันห้านี่ไม่ควรถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขา พอถือไว้มันก็ไม่ไม่ยั่งยืนอะไรมีแต่ชำรุดทรุดโทมไปแล้วแตกตับทำลายลงในที่สุดไม่ควรถือว่าเป็นเราเป็นของของเราท่านผู้ฟังผู้มีวัฒนาจะนได้ก็ปรงลงไปตามวางลงไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาเมื่อปรงวางลงได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาจริงจริง มืันก็บรรลุมรคผลได้เป็นอย่างนั้นเดืองมันนะถ้าหากว่าคงไอ้เด็ดขาดลงไว้ไม่ได้ถึงไม่ได้บรรลุมรคผลก็เรียกว่ามีความรู้ความเห็นจริงเกิดขึ้นในใจอผู้นั้นก็จะอุ่นใจได้เลยแล้วเมื่อรักษาความรู้ความเห็นนั้นต์ไว้ไม่ให้มันเสื่อมเช่นนี้นะมันก็ ยีหลดความโกรธความมตยาบาดอะไรต่างๆขนั้นมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้บนี้นเนี่ยเพราะว่ามันองมันวางลงไม่ถือว่าเป็นของเราด้ร่างกายอันนี้นยะใครจะเอาไปชุบไปยำกินยังไงก็เอาเถิดถ้ากรรมเวนมีแล้วก็เอาไปถ้ากรรมเวนไม่มีแล้วก็ขอให้สวัสดีไปก่อน พิจารณาลงอันนี้แล้ก็โปร่งลงได้แม้จะไม่เป็นพระโสดาบันก็ตามเมื่อบําเพียความรู้ความเห็นที่ว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาให้เกิดให้มีขึ้นในใจโดยแจ่มแจ้งแล้วอย่างนี้นะมันก็ปร่งได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้น ในการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่พระศาสนาทรงมีพระประสงค์ให้คนเราบำเพ็ญทางจิตใจนี้ให้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงโลกุตรธรรมนู่นอันไปถึงโลกุตรธรรมเพียงกับขั้นต้นอย่างนี้ก็อุ่นใจได้แล้วปิดประตูอบายภูมิทั้งสี่แล้วตายแล้วไม่ได้ไปตกนรก ไม่ได้เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เกิดกำเนิดสดัตว์เดรัจฉานเย่ว่าทุกขติภูมิทั้งสี่นี้ไม่ได้ไปแล้วมีแต่สุสขติภูมิเป็นที่ไปดังนั้นในตำราท่านจึงว่าพระโทดาบันเนี่ยเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ ทัานดูสิเป็นส่วนมากท่านราวดิงนี่ก็มีอยู่วางแต่เป็นส่วนน้อยและอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าพระโถดาบันน่ะท่านก็ยังยึดถือขันห้านี่อยู่เพราะฉะนั้นถึงได้ไปเกิดเป็นขันขึ้นมาอีกแต่เป็นขันละเอียดถึงแม้ว่าความเห็นจะเกิดขึ้นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตน ก็จริงอยู่แต่ความเห็นอันนี้มันเป็นเอกเทศไม่ไม่ความเห็นไม่รอบครอบตลอดเลยเมื่อมันเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ทั่วตนอย่างว่านี่แล้วก็ไม่ใช่ขันธ์ห้านี่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดดื่มสุราเมลยัยกัญชายาพินเฮโรอีน ของเสพติด ต, ต่างๆเออหมู่นี้นะมันก็ไม่ใช้กายนี้ไปทําอะไรวะนี่ไม่ใช้วาจานี้พูดเลยสีนีอแม้ว่าใครจะมาบังคับให้ ท, ทําช่วยอย่างนี้ก็ไม่ทําถ้าไม่ทาําก็จะฆ่าฆ่าก็ฆ่าไป อ, อไม่เสียดายร่างกายอันนี้ถึงเขาไม่ฆ่ามันก็จะตายอยู่อย่างนี้แหละความเห็นของปโมดาบัน ทานที่เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนแล้วถ้าไม่ได้ใช้ขันห้านี้ทำบาปผู้ง่ายง่ายบันเทือกแต่ว่าอุปทานส่วนละเอียดตั้ยังโยเหตุดังนั้นเมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญคุณธรรมที่ท่านบรรลุเขีงนำจิตใจนี้ไปเกิดเป็นเท ว, เทวดาเยู่บนสวรรค์มีร่างกายละเอียดปณีต มีอายุยืนเพราะท่านมีบุญมากาว่าเมื่ออยู่ยืนยาวไปเมื่อมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาตัดสัรู้ในโลกแล้วเสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อเมื่อไปแสดงธรรมมาพระ อริยะบุคคลนั้นมาฟังพระอภิธรรมเข้าไปหยอกลงก็ได้บรรลุอรหัตอรหันไปเข้าถูนิพพานไปอย่างนี้ก็มีแหละท่านก็ไม่ได้กลับมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วเมียนเสียแต่ท่านผู้ใดฟังทำไปแล้วยังไม่ได้บรรลุถึงอรหัตหรือไม่ได้รู้ไม่ได้บรรลุอนาคามีอย่างนี้นะ่ะก็ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่เกินเจ็ดชาติอืม อันนี้นะ่ะให้พากันเข้าใจหลักธรรมะคำสอนของพุทธเจ้ามันออกไปจากดวงจิตนี้เท่านี้เองนะทุกคนอย่าไปลืมจิตใจตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตนี้ไว้เสมอเสมอเมื่อตนได้ทำความดีมาเป็นเบื้องต้นแล้วเช่นอย่างว่าผู้คล้องเลื่อนอย่างนี้ มีศรัทธาทำบุญให้ทานแล้วอย่างนี้นะก็กมีศรัทธารักษาศีลไม่ทำบาปอย่างนี้ก็ให้มีศรัทธาภาวนารักษาจิตไปพร้อมกันเลยรักษาจิตก็กได้ชื่อว่ารักษาบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั่นแหละไม่ให้เสื่อมให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตนี้ถ้ามีแต่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้น ไม่ภาวนาไม่ไม่เพ่งจิตได้ชื่อว่าเป็นผู้ตกเป็นผู้เสื่อมจากบุญจากกุศลแล้วไปตกไปในบาปอากุศลต่างๆแล้วนี่เพราะเหตุว่าไม่ได้สำรวมจิตไม่รักษาจิตของตัวเองธรรมดาผู้ทำบุญได้ทานรักษาศีลมางนี้นะ มันก็บันเทาความรู้ความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปอย่างนี้นะกีแลเิเรานี่เบาบางลงไปแล้วอย่างนี้อันเมื่อไม่รักษาจิตไม่สำรวมจิตให้แน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเนะี่ยพอเผลอมีแต่ส่งจิตใจไปตามอารมณ์ต่างๆของโลกสงสารอันนี้อย่างนี้ กิเลสตัณหามันได้ช่องมันก็ครอบงาจิตใจได้มันเป็นอย่างนั้นเลื่องมันนะเหตุใจมันก็เศร้าหมองขุนมัวไปอย่างนี้แหละเมื่อใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วมันก็ชอบแต่บาปนั่นแะคนเรามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันจะชอบบุญกุศลไม่มีอืโคลงกันข้ามผู้ใด ชำระจิตใจของตนให้พองใสสะอาดขึ้นมาแล้วมันก็ชอบแต่บุญกุศลชอบแต่ความดีความชั่วมันก็ไม่ชอบแล้ววันนี้นะมันก็สำรวมกายวาจาใจของตนให้ดีเป็นปกติเรื่อยไปไม่แสดงความโลภความโกรธอะไรออกมาภายนอกให้คนอื่นได้เห็นนี่เพราะเห็นว่ามันไม่มีอยู่ภายใน แล้วอย่างนี้มันก็ไม่แสดงออกภายนอกแหละเรื่องมันนะถ้าสิ่งใดกิเลสอันใดมันมีอยู่ในภายในหลายกลัวเพื่อนมากกลัวเพื่อนมันก็แสดงออกภายนอกมามากกลัวเพื่อนเละวันนี้นะจะแสดงออกมาให้เด่นชัดไปเลยอย่างนี้แหละดังนั้นทุกคนนะ่ะให้สันนิษฐานดูจิตใจตัวเองที่ ใจดวงเดียวเท่านี้แล้วรักษาเอาจะไปลืมตัวทำไมเล่ารักษาอันใดมันจิตวิเศษเท่ารักษาจิตใจนี้รักษาเงินทองเข้าของเช่นนี้ก็มันก็ไม่วิเศษเพราะรักษาไว้หน่อหนึ่งเมื่อมีกิจธุระใช้ใจก เ, เบิกออกมาใช้ามาจ่ายไปก็หมดไปสิ้นไป บางทีโจรขโมยมันก็มาจี้มาพล้นเอาไปรักษาอย่างไรมันก็ไม่อยู่เงินทองเข้าของเหล่านั้ น, นไอ้ส่วนรักษาใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่รักษาไปเท่าไหร่ยิ่งดีไปเรื่อยไปจิตนี้นะ่ะมันไปอย่างนั้นเมื่อเรามีสติประครับประคองมีสัมปัชญะญรู้ตัวอยู่ว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณ มีปัญญาญาณเกิดขึ้นอยู่รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไม่ให้มันเสื่อมอย่างนี้นะเมื่อทำอย่างนี้เรื่อยๆไปอ่ะไอ้ตันหากิีเลตอันชั่วชาลามกความโลภโกร่งอะไรมันก็ครอบงามจิตไม่ได้มานี่อมันก็ดีแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็ละมุนละไมอ่อนโยน ไม่แข็งก็ด้างก้าเดืองต่อใครเลิกใครในโลกนี้อย่างนี้นะมันก่อนเรื่องา่าใจแล้วแห่ะมันดีนะงมันนะถ้าใจไม่ดีแล้วอย่างว่ามันก็แสดงออกทางกายทางวาจาไม่ดีทุกคนต้องรู้ตัวจะไปให้แต่คนอื่นตำหนิตีเตียนบอกให้ตักเตือนให้ อย่างนี้แล้วไม่ไหวนะไม่ไหวหรอกใครเราจะไปตามตักเตือนเราทุกอริยาบทได้อยู่นั้นไม่มีอ่ะนั่นหองถึงครูบาอาจารย์ได้เพื่อนอก็ตักเตือนได้เพียงครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองผู้มีปัญญาจำอุบายที่ท่านตักเตือนแล้วก็ไปสอนตนเข้าไปเรื่อยๆไปอย่างนี้มันก็ดีขึ้นสิจิตใจนะ ไม่ใช่ว่าใจมันตกไปทางชั่วแล้วมันจะทําให้ดีขึ้นไม่ได้บางคนอาจจะเข้าใจนั่งนก็ได้นะไหนๆตนมันเกิดชั่วแล้วแหละก็สร้างมาั้งถอะปล่อยให้มันชั่วไปตามเรื่องมันงะมีเคยมีอยู่บางคนนะ่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้เช่นนั้นนะ่ะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาทเต็มที่เลยนะประมาทตัวเองนี่แหละอืม พอมาต่อชีวิตตัวเองนี่แหละเม่รักตัวเองสักหน่อยเดียวรักตัวเองก็ฟังคาสอนของผู้เท่เจ้าแล้วก็ย่อมรู้ความหมายได้พระองค์เจ้าทรงสแสดงว่าดูก่อนวิสูงหลายอันความชั่วนี่เป็นสิ่งที่พอละได้ถ้าความชั่วนี่หักละไม่ได้แล้วไซเราสถาคตก็จะไม่สั่งสอน ให้พวกท่านละความชั่วเลยแม่ความดีคือบุญกุศลนี่ก็เป็นบุคคลสามารถจะทําให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้แต่ถ้าบุคคลไม่สามารถจะบําเพ็ญกุศลความดีให้เกิดขึ้นมีในตนได้แล้วไซเราตถาคตก็จะไม่สั่งสอนไม่ชักจูงแนะนําท่านทั้งหลายให้บําเพ็ญบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนของตน นี่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้มีในบาลีจริงๆแต่ว่าเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเราก็ได้ความอย่างนี้แหละก็เมื่อเราได้ฟังภาษิตของบุทรเจ้าอย่างนี้แล้วก็เอาไปคิดไปกรองพิจารณาสิมันก็ชอมเห็นตามแหละเห็นตามแล้วเราลงมือปฏิบัติไปก็รู้ได้ เช่นอย่างความโกรธอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจขึ้นมาโดยรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันอย่างนี้พอมีสติระลึกได้อย่างนี้อ้าวความโกรธนี่ไม่ดีนะจะไปสร้างมันขึ้นมาทำไมตอ น, นีก้กำหนดใจละมันเลยไม่ส่งเสริมมันมันก็อ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆเยนะยเมื่อใจไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่วิตกวิจาร ให้ความโกรธอันนั้นมันมีกำลังขึ้นอย่างนี้มันก็อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็หายไปจากกิจใจนี่ถ้าผูใ้ใดไม่ไม่ทำก็ไม่รู้อย่างที่ว่านั่นเนี่ยถ้าได้ทามาลงลงมือทำมาแล้วยอมรู้ด้วยตนเองได้ว่ากิเลสเหล่านี้เป็นของละได้ไม่ใช่ละไม่ได้อย่างนี้นะ แม้ความโลภ ก, ก็เหมือนกันนะความเพ่งเลงไปในสมวัตผู้อื่นไม่ยินดีพอใจอยู่ในสมวัตของตนที่หามาได้อย่างนี้คันเมื่อตนหกักตักเตือนตนเข้าไปบไปไ่อยๆมีอุบายสอนใจของตนหลายอย่างหลายวิธีเข้าไปจิตมันเห็นตามแล้วมันก็มันก็ไม่เพ่งเลงไปแล้ว เช่นว่าเตือนตนอย่างเรื่องเรื่องหย่ำหย่ำอุบายหย่ำหย่ำนี่ก็ได้นะอ้าวตนเป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรืออย่างงี้นะแล้วคนเหล่านั้นเขาก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรือใช่แน่นอ น, นก็เมื่อตนเป็นมนุษย์เช่นนี้เหมือนกับเขาแล้วทำไมจะไปแย่งเอาของเขาไม่รักษาเกียรติของความเป็นมนุษย์บ้างเหรือนี่ตนมีเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ แล้วอย่างนี้ตนก็หาเอาสิอยากได้อะไรอย่างเมื่อตอนหาได้เต็มความสามารถแล้วมันไม่ได้มากเหมือนเขาแสดงว่าตนมีบุญน้อยตอนได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมันน้อยไปบุญกุศลบางครั้งอำนวยผลได้แต่ น, น้อยเท่านี้เอยจะให้มันได้มากเหมือนหนึ่งคนที่เขามีบุญ ม, มากๆน่ะมันไม่ได้สอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นตามสิวใจ โอ้จริงๆรงิอ่ะถ้าไม่เป็นเช่นว่านี่มันก็ไม่มีคนรวยคนจนแหละนี่มันก็เห็นแหละพอต่างคนต่างหาเหมือนกันนี่อถ้าไม่ต้องอาศัยบุญแต่กุศลหนหลังมาหนุนส่งที่มันก็รวยกันหมดสินั่นแรละก็เห็นตามที่ว่านี่นั่นแหะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วคนนั้มันก็ถือสันตุถีทําได้ ถือยินดีตามมีทำได้ตนหามาได้เท่าไดบุญนำหน่วยผลได้เท่าได้ตนก็นยินดีบริโภคใชจสวยเท่านั้นแม้เป็นพระเป็นเนนก็เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าพระเนนในพุทธศาสนานี่บวกเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะมีอัิเลศกราบเหมือนกันหมดไม่ใช่นะผู้ที่ไม่มีอัิเลศกราบก็มีมากมายกายคลองเละ ไอผู้มีอัตเรเรฆราบนั้นรูมันจะมีน้อยครับนี่มันก็เหมือนกับชาวบ้านนั่นเองเนี่ยไม่แตกต่างกันหรอกมันก็บุญใครบุญเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แจ้งในธรรมในกิเลสในบุญในกรรมดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นมันก็บรรเทาความโลภความโกรธความหลงหลงได้ส่วนหนึ่งเป็นผู้ไม่หลงไม่เมาในลาบในยศ เป็นผู้ไม่หลงไม่เมาในความทุกข์ความจนนี่เพราะว่ามารู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนส่วนมากไม่ค่อยสนใจเรื่องกรรมเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเรื่องผลของกรรมดีผลของกรรมชั่วนี่ไม่ค่อยสนใจคิดเท่าไหร่หรอกยังมีนักปราด บางท่านบางพวกยังมีความเห็นไปผิดแผกแตกต่างไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีปฏิเสธโลกหน้าก็มีบางพวกนะ่ะเฮ้ยสวรรค์จะไป ม, มีที่ไหนนั่นน่ะว่าเอาที่เยนี่แหละอย่างนี้นะเป็นความเพ้อฝันของคนบางคนเท่านั้นแหละ บางนั่นนะก็พูดใส่ทางเครื่องขยายเสียงทางวิทยุไปจ่ายเสียงก็มีนะไอ้อย่างนี้นะบางคนก็ว่าอืมพูดอะไรก็ปรารกถึงตั้งแต่บุญแต่กรรมแต่บุญแต่บาปแต่ชาติก่อนหนนหลังแต่ว่าในปัจจุบัน น, น, นี่ทำไมไม่ปรารกถึงบ้างไอ้อย่างนี้ก็มี เมื่อไปพูดถึงแต่เรื่องเรื่องหลังเรื่องแต่ชาติก่อนมันก็ล่วงมาแล้วนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมาไงแต่ก่อนหนึ่งควรย่อพี่นาเอาปัจจุบันนี้ดีกว่าไอ้ผู้มีความเห็นเช่นนี้เน่ยมันก็ไปข้านกับคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอดีตชาติของพระองค์ที่เป็นมาแล้วนะ นั่นก็พระ อ, องค์ทรงปรารกรถึงเรื่องอดีตชาติไม่ใช่เลยแล้วก็ทรงแสดงชาติทนหลังของคนแต่ก่อนนะอย่างทรงนำเอาเรื่องราวของบริษัทของพระ อ, องค์แครข้างนั้นนะบางคนมาแสดงให้คนทั้งหลายฟังทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วอย่างเรื่องพระเทวทัตอย่างนี้นะองค์ก็เล่านามาเล่ามาแสดงให้คนฟัง ก็พระเทวทัตได้ผูกอาฆาตกับพวกอง์มาติชาตินั่นสักแต่ก่อนแต่เบื้องต้นมาโน่เนี่ยอย่างนี้นะเา้าวพระองค์แสดงเอาเรื่องค น, คนดีอือย่างนี้คนดีนะ่ะมีเยอะแยะท่านก็ยกมาเป็นบางคนบางท่านเช่นอย่างนางวิสาขาอนาถวินดีกะมหาเศรษฐีมันเนี่ยแต่ชาติก่อนเพื่อนก็ได้ทําบุญทาทานมามากมาย ในปรารถนาเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าออย่างนี้นะเช่นนี้แล้วว่าผูใ้ใดค้านว่าไปพูดปารบแต่เรื่องอดีตผลหลังอะไรอย่างนี้มันก็ไปค้านกับคําสอนข้าพุทธเจ้าเหล่านี้สินั่นไงเพราะว่าอดีตมันโยงมาใส่ปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็โยงไปอนาคตนี่มันไปอย่างนั้น หรืออนาคตนี่มันก็ส่อจากอดีตเนี่ยไปเมื่อไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันมันก็ไม่มีอนาคตเมื่อไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีอดีตถ้าไม่มีอดีตก็ไม่มีปัจจุบันเหมือนกันอย่างนี้นะลองพิจารณาดูสิเมื่อไม่มีเมื่อวันนี้ก็ไม่มีวันนี้ไม่มีอ่ะมันเป็นอย่างนั้น ก็เพราะมันมีเมื่อวานนี่แหละมันจึงมีวันนี้ขึ้นมาเมื่อมันไม่มีวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มีอลองคิดดูสิมันโยงกันเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้แหละผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วถ้าพูดถึงทรชั้ละเอียดเข้าไปพระองค์เจ้าจึงทรงแสดงว่าบุคคลผู้มีปัญญาไม่ควร บิตกวิจาร์ไปในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมาเป็นอารมณ์เพราะว่าสิ่งใดที่มันล่วงไปแล้วมันก็แล้วไปแล้วมันก็ดับไปแล้วและบุคคลผู้มีปัญญาก็ไม่ควรที่จะลำพึงถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงมาเป็นอารมณ์เพราะว่าเรื่องอนาคตนั้นก็ยังไปไม่ถึง ยังไม่ได้ไม่ถึงถึงคิดไปได้มันก็คิดไปให้เหนื่อยใจเสียเปล่าเป่าเพราะมันยังไม่ได้ไม่ถึงไอ้ทาใดที่เป็นปัจจุบันเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ให้พึ่งพิจารณาธรรมนี้เนืองเนืองพระองค์ทรงสอนเป็นขั้นตอนไปธรรมะคำสอนของพระองค์ค่อยละเอียดเป็นขั้นเป็นขั้นไป อย่างนี้อย่าพากันปฏิเสธอะไรอะไรก็จะเอาแต่ประมัิอย่างเดียวอย่างนี้เนี่ยถ้าถูกไม่เอาเลยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอุปมาเหมือนอย่างไม้ต้นหนึ่งอย่างนี้นะมันจะเจริญแตกกิ่งก้านสาขามีดอกมีใบดกหนาเป็นล่มเป็นเงาได้มันก็เพราะมันมีทั้งเปลือก มีทั้งกะพี้มีทั้งแกนหุ้มกันอยู่อย่างนั้นแนอละแล้วก็มีรากสำหรับตูดอาหารไปโรลเรียงลำต้นอย่างนี้แหละมันถึงได้มีกิ่งก้านสาขาแตกออกไปมีดอกมีใบมีหมากมีพ้นให้คนได้บริโภค อ, อันนี้ฉันใดก็เหมือนอย่างนั้นแหละ พระธรรมคําคสอนของพุทธเจ้านะะั้นเขาองค์เจ้าเปรียบไว้นายหนึ่งก็เปียบเหมือนอย่างน้ํามหาสมุทรทะเลน้ํามหาสมุทรทะเลนะ่ะค่อยลาดลงไปโดยลําดับไม่ได้ชันชิกชิกลกลงไปทีเดียวเลยค่อยเอียงลาดลงไปโดยลําดับลึกลงไปลึกลงไปอย่างนั้นนี่ทันใด พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมก็เป็นเหมือนกับความลึกของน้ําทะเลนั่นแหละแสดงเบื้องต้นก็ทรงแสดงธรรมให้หมดเมถ้าเป็นบุคคลที่ยังมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่วัฒนานิสัยบา ร, รมียังอ่อนอยู่อก็ทรงแสดงธรรมเบ็ดเสร็จทรงแสดงกรรมแสดงผลของกรรม ว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้แหละไอ้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่มีใครนำเอามาให้ใครตัวเองสร้างเอาเองทำเอาเองนี่ทรงแสดงที่กรรมที่ผลของกรรมให้คนผู้ที่บา ร, รมียังอ่อนอยู่ฟังแล้วจะได้ตื่นตัวว่าโอ้จริงนะคนเราจะดีจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองได้เพราะการทำดี บุคคลจะชั่วแล้วซามได้เพราะการทำชั่วคนดีคนชั่วหรือคนมีความสุขความทุกข์ไม่ใช่เทวดาอินพรมที่ไหนมานิรมิตให้มาโดนบันดาลให้เป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่เลยก็จะได้พิจารณาเห็นแจ้งตามคำสอนของพระ เ, เจ้าอย่างนี้นะนั่นแหละนี่เรียว่าเป็น หมดบาทเบื้องต้นของมุตสศาสนานะนี้นะธรรมดาขึ้นต้นไม้ใครเราจะไปย่างขึ้นปลายพุ่นที่น้นทีเดียวเลยไปได้ที่ไหนไ่ะมันก็ต้องปีนไปเหยียบตั้งแต่โคนต้นมันนี้ขึ้นไปเรื่อยไปเป็นเช่นนั้นมันก็จังเยือกถึงยอดถึงปลายไม่ได้อันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย ผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันก็เริ่มบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติแต่เบื้องต้นนี้ไปให้มันสมบูรณ์เมื่อผู้ใดเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรอย่างเนี้ยไอ้ความความชั่วนั้นมันมนำผลคือความทุกข์มาให้อย่างนี้ความดีมันนำผลคือความสุขมาให้แก่ผู้กระทำอย่าง เมื่อรู้อย่างนี้แล้ตนก็นละส่อันใดสิ่งใดเป็นความชั่วก็ละเว้นเลยอือย่างนี้นยสิ่งใดเป็นบุญกุศลเป็นความดีความชอบนํำความสุขมาให้แก่ตนและผู้อื่นนี้ก็ทําลงไปนี่เรียกว่าบทบาทเบื้องต้นของพุทธศาสนาดังนั้นที่บุกคนทํากล้าละความชั่วออกไปอันนี้ก็เพราะกว่าอะไร่ะ ก็เพราะว่าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพราะองค์แสดงเรื่องว่าผู้ทําบาปกรรมตายแล้วไปตกนรกไปเป็นเปรตอสุรกายสเดชาเนั่นแนะ่ะผู้เชื่อพระปัญญาศัตรูของพุทธเจ้าอย่างนี้แหละเห็นได้มันจึงขอใจละความชั่วแต่ถ้าหาว่ามันไม่ยอมเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างว่านั้นแล้วมันก็ไม่ละนะละไม่ได้ความชั่ว มันก็ยินดีทําอยู่นั่นแหละเพราะมันมันเห็นไปอีกอย่างหนึง่งเห็นไปว่าทําไปแล้วมันไม่ไดมันไม่ได้ให้ผลเป็นทุกข์แก่ผู้กระทาเลยนะความชั่วเหล่านั้นะมันเห็นไปอย่างนั้นเลือง ม, มนะันะเหตุนัานนั้นมันถึงไม่ยอมละนี่เมื่อเวละความชั่วในไอเป็นขั้นต้นนี่ไม่ได้แล้วมันจะไปทําความดีให้สูงขึ้นไปไปได้ยังไงแล้วนี่คิดดูให้ดี ก็ท่านทั้งหลายที่ท่านได้หลุดพ้นจากทุกข์จากภในสงสัยไปได้หมดนั่นนะรู้นแต่ท่านเริ่มละความชั่วทําความดีในเบื้องต้นนี้ไปโดยลําดับไปนานไปบุญบารมีมันก็แก่กล้าขึ้นก็สูงขึ้นไปโดยลําดับเลยเพราะว่ามันไม่มีความชั่วมาแทรกแซงมากั้นกลางนี่มันเป็นอย่างนั้นเอาผูใ้ใดนั่น ชั่วก็ทำดีก็ทำอย่างนี้นะอา้าวอันทำดีไปเหมือนว่ามันจะได้ดีขึ้นไปไอ้ความชั่วที่ตัวทำไปแล้วมันก็มาฉุดคล้าลงไปมันทำให้เจริญขึ้นไม่ได้อืาอย่างนี้แหละอย่างนั้นก็เห็นเนียคนบางคนนะ่ะเฮ้ยทำคุณงามความดีมามากมายกายกองแล้ววะนี้พร เหอตัวเท่านั้นแหละมีเรื่องไม่ดีกระโตกกระชั่นก็มาก็ไปเนรได้ทำความทั่วลงไปอืมอย่างใดอย่างหนึ่งจนจนถอกฆ่าหรือตีผู้อื่นให้ล้มให้ตายหรือเบียดเบียนทรมานบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้ทนทุกข์ทรมานจนกลัวจะตายอย่างนี้นะ อย่างนี้เป็นต้นตลอดถึงการต้องเจ็บของมืนเมาดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยนี่ก็เพราะมันมองไม่เห็นผลนะถ้ามองเห็นว่าโอการกระทำอย่างนี้มันให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนเพราะเหตุว่าเราทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนี้แล้วทุกข์นั้นจะไม่ย้อนไม่ย้อนมาถึงตนนะไม่มีในโลกนี้นะเมื่อทำทุกข์ให้แกผู้อื่นเขาทุกข์นั้นมันก็กลับมาสนองตนเมื่อตนนำนวยความสุขให้แก่ผู้อื่นเขา ไอ้ความสุขน้วมันก็โยนกลับมาสู่ตนเพราะฉะนั้นอนะ่ะอยา่าไปพิจารณาสำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อศิลต่อธรรมต่อคำสอนพุทธเจ้าแล้วให้พากันสำนึกในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนะให้มากๆอเมื่อเมื่อผูดด้ใดมาใส่ใจ ทีนิ้พิจารณาเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่จนว่าเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นในใจมาได้อย่างนี้ผู้นั้นก็มีหวังที่จะก้าวหน้าไปได้การปฏิบัติธรรมนี่ถ้าไม่ใส่ใจในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่เราไม่มีทางก้าวหน้าไปได้เลยก็ยังที่ว่ามาแล้นั่นแหละเมื่อทำดีทำดีไปเมื่อมีเรื่องชั่วเข้ามา ยั่วยวนเข้าไปอ้าวมุนไปทำทั่วเข้าไปเสี ย, ยงนี้นะแล้วอย่างนี้แล้วจะให้ชีวิตนกาวรุดพ้นจากทุกข์ไปเดื่อยลำดับได้ยังไงอ่ะหน่อยหนึ่งครรมทั่วมันก็ถุดไปสู่ทุกข์ซะพ้นจากทุกข์โน่นมาก็ถึงได้มาสวยผลแห่งบุญกุศลที่ตนทำไว้มีความสุขไปข้าที่ตนไม่มีปัญญา เมื่อบุญมาอำนวยผลให้ตนเกิดเป็นคนมาแล้วเอา้าวัดใช้กายวาจาใจานี่ไปทำทั่วเข้าไปอีกเอา้ากความทั่วผัดฉุดไปสวยทุกทนทรมานอยู่ในรกอบายภูมิเนี่ต่อไปยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยประวัติของพระเทวทัตอันนั้นแหละอืไม่ใช่ว่าเทวทัตจะทำแต่ความชั่วเบียดเบียนแต่พระศาสาเท่านั้นหรอก บุญกุศลเขาก็ทําบางชาติน่ะอย่างนี้แหละแต่บุญกุศลนั้นมันไม่ประกอบอไปด้วยปัญญามีแต่ศรัทธาเฉยมันไม่มีปัญญามองเห็นคุณค่าของบุญกุศลนั่นอย่างยิ่งแล้วก็มองไม่เห็นกรรมเหวนเวียนมองไม่เห็นโทษแห่งการผูกพยาบาทอากา ศ, ศจงเวียนต่างๆมองไม่เห็นมองไม่เห็นโทษเหล่านั้นเหตุ น, นั้นน่ะ ถึงละไม่ได้เลยพอใจเบียดเบียนแต่พระองค์เกิดมาชาติใดก็ดีเอาอยู่นั่นพ่าเมื่อเมื่อเบียดเบียนพระโพธิสัตว์ได้แล้วก็บาปกรรมก็เอาแล้วตายแล้วก็ น, นำไปสู่นรกเอเวจีนุ่นทอนทุกทรมานอยู่นานแสนนานกูจะพ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้านะพระองค์เริ่มสร้างบา ร, รมีมา บุญบา ร, รมีของพระองค์ก็แก่กล้ามาในที่สุดบุญกด ส, สวนกอดเต็มก็ได้ตัดสรตสัมมาสัมพุธิยานดับขันเขาสู่พระนิพพานไปส่วนพระเทวทัต น, นั่นแหละเริ่มสร้างกรรมสร้างเวนกับพระศาสดามาสร้างแต่เบื้องต้นนวนมาจนถึงปัจจุวัลนี่ พระเทวทัตก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นแหละได้ไปเสวยทุกข์อยู่ในอาเวจีมานรกนู่นแล้วลองพิจารณาดูสิอันนี้แหละในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่นะพระศาสดาทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วดังนั้นนะผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเพียรละกรรมมันชั่วออกจากกายวาจาใจ ละคำชั่วอย่างหยาบได้แล้วก็เพียนละอย่างกลางอย่างที่แสดงให้ฟังมาแล้วแต่เมื่อวานนี้นะนะั่นน่ะละอย่างกลางได้แล้วก็เพียนละความชั่วอย่างละเอียดที่ท่านเรียกว่าอนุสัยอนันมัอนนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนะนะั่นน่ะนั่นน่ะบุคคลจะละอนุสัยอันนี้ได้ก็ด้วยอํานาจแห่งปัญญาแลยแบบนี้นะฮั่ น, นเมื่ออบรมสมาธิให้เกิดขึ้นแล้ว ทำนานทำใจสงบทำอนานคมใจะสะกดจิตของตนได้อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าเป็นผู้ฝึกจิตได้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เช่นดีีแล้วปัญญาก็เกิดจากสมาธิอันนั้นสามารถมองเห็นกิเลสส่วนละเอียดที่หมักรองอยู่ในจิตใจของตนของตนได้ด้วยตนเองดังแสดงมา